ที่ทเงินนะครับจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะจากการใช้ v พจนะครับนี่คือวิชาเสร็จปจากแ i r t i m e ์เนะครับอ่ะใครที่ใครที่สมัครเแล้วนะฮะขอดูอทีได้ไหครับโอเคอาลงครับใครที่ยังไม่ได้สมัครจครับมาวันนี้วันแรกเลยงรู้เลยนะฮะโอเคใครที่ได้เงินจากเพควแล้วครับโอ้เยอะนะขือหน่อยนะฮะ จริงๆแล้วที่ผมที่ยกอะไรนะผมก็ลังฟูมที่เห็นว่ามั น, ท, น ท, ทำเงินได้มันทำเงินได้นะครับอย่ามองว่าเป็นธุรกิจครับมองว่ามันเป็นการใช้โซเชียลแต่การใช้โซเชียลเนี้ยคได้งเงได้จากอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครั บ, รบอ่ะวันนี้มารู้จักกันก่อนนะครับนี่คือ p a จค q p คินะครับ q q นะครับไม่ใช่บริษัทเพจคแต่เป็นเพียงโดเมนเป็นเพียงเว็บเเป็นเพียงเวิรไบเวนะครับของบริษัทเซิร์ฟโฟบี เซิร์ฟติจนะัจเรียนตามแผนพันธั์นี้ถูกกฎหมายเรียบร้อยนะขึ้นอยู่ที่สำักต้นรับรุดมนะครับหรือที่ชลบุรีนะครับพนักาชลบุรีนะครับจดมากี่ปีแล้วครับคุณโอมกี่ปีแล้วครับยี่สเอนะฮะไล่มนประมาณ5ปี5ปีนะครับไม่ใช่เปิดแต่เปิดมาแล้ว5ปีเซิร์ฟติครับคุณโอมเป็นซีโเอนะครับคุณโอมเป็นซคุณโอมนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณโอมเป็นโปรแกรมเมอร์นุสีนะครับคนนี้นะฮะ ยัไม่รู้เลเป็นทำอะไรที่สองอนะคุณโรนเนี่ยผมต้องบอกอย่างนว่าเป็ น, นหนุ่มที่ที่มีความสามารถแต่เขาไม่ใช่ขอกแถมเขาเก่งโนั้นเป็นคนที่เขียนโปรแกรมตั้งแหนยุเป็นโปรแกรมเมอร์เลยตั้งแต่ยกีเรียนไม่จบแต่เป็นอาจารย์สอนอาจารย์อีกทีนึงเจ๋งไหมบอกนิดหน่อยนะ วันนี้โอ้อาจารย์ทำตนี้ไม่ได้โซนให้อาจารย์หน่อยข้อนี้เลยนะคุิ๊งไม่ใช่ธรรมดาเ น, นะเขียนรว่อครับเขียนซอฟต์แวร์ครับให้ใ ห, ให้กับบ ร, ร, ร, ร, ริษัทขายโตเขียนเขียนโปรแกรมนะให้กับบ ร, ริษัทการเงินเขียนโปรแกรมให้กับบ ร, ริษัทเกมทำมาหลายหลายสิ่งหลายอย่างนแต่วันนี้นีพ่พเข้ามาถูกทา ม, มิงค์ทา ม, มที่เศรษฐกิจประเทศไทยกบบาลังแย่ทา ม, มิงมีคนกาลังหาช่องทางหรือทาคี่คนกาลังใช้โซเชียลจูบ แล้วมันก็เกิดบูมขึ้มนมานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับอ่ะโอห์มนะครับเป็น4โอห์มเซฟโบรินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใครถามว่าบริษัทอยู่ตรงไหนออฟฟิศอยู่ไหนเนี่ยนะครับของผิเนี่ยผมมักต่อบสนองนะไม่มีอยู่ในเว็เออวออบ www. ผิดค .com แต่ว่าถ้าจะเอาบริษัทแม่มีมอัพยาชื่อเซฟโบรินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตัวตนนะครับมีตัวต้นนะครับ ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่จะทําอะไรเนาะมันจำเป็นต้องมีการขออนุญาตเสมอเล่าให้ฟังนะครับอีกท่านหนึ่งที่อยากแนะนํารู้จักนะครับก็คือคนนี้เลยนะฮะคุณมาริษานะครับคุณมาริสาะ ค, ะคุณธรรมพรนารีจิตาลุสอนนะครับชื่อที่มาริษานะฮะสวยไหมฮะสวยเนาะสวยเนาะไม่สอนอาจารย์นะครับดูดูโปรไฟล์น ะ, ะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเงินการธนาคารและสถาบานันการเงินรู้เรื่องเงินไหมครับ รู้ไหมครับที่ว่ารู้ไ้มที่ว่ากาษีภาษาจะเป็นได้ไะต้องรู้เรื่องเงินจริงไหมไที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการป้องกันปราบปางการฟอกเงินและยาเสพติดสภาทู้แทนราษฎรคิดว่าคนแบบนี้เนี่ ย, ยเป็นไงเชื่อถือเชื่ออได้หรอเชื่อถือได้ไห<ๆ>ดนอกจากนั้นครับไม่ธรรมาดาครับจริงๆที่นมยสาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่ทธุรกิจหลายอย่าง เธอขายขึ้นวรธทุรกิจขาย้นเวรที่กับของทัพอากาด้วยนะครับรู้ไหมครับเป็นแบบบักบนเนอร์นะครับไม่ธรรมดาครับโปรไฟล์เ่ถ้าผมพูวันนี้ก็พูดไม่จบแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะเห็นความความเป็นพอเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจออนไลน์คือคุณพี่มริษาเน่ยนะครับเป็นคนที่ได้ตำแหน่งสูงสุดนะครับของธุรกิจ e ี a y เลยนะครับตแหน่งทนียนะ ค, ะคนไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งสูงสุดของีเบเลยครับผต้องยิมาก ฉะนั้นเนี่ยอยให้มั่นใจนะครับในเรื่องของขอ ง, ของการเงินการตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเรามีคนที่คอยดอูแลเรื่องนี้แบบเป็อาชีพนะครับท า, ทางนี้นั่งได้นะฮะมาดูกันนะครับว่ <S <S าเพจคิวคืออะไรนะครับ เ, เนะบมื่อกี้เราเรารู้จักในเรื่องของบริษทัทกันแล้วนะครับบริษทัทเซิร์ฟโปบิสนะครับแล้วก็ผู้ผู้ผู้บริหารนะครับมีทั้งคุณโอแลก็คุณบริษาผมไม่ใช่ผู้บริหารนะครับอย่าเข้าใจผิด ะตอนเป็นเหมือนทุกท่านเป็นยูนเซอร์เอาราไม่เคยรู้จักกันตลอดแต่วันนี้เรามาทางานที่นี่ด้วยกันนะครับด้วยความเข้าใจนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลืมภาพของคุฑอีกเน้นเหมือนเป็นจรงตอกให้หมดนะครับผมจะไม่ให้ทุกท่านได้ปวดอร์ฟิวกลับบ้านวันนี้โอเคหมนะฮะทุกท่านจะไม่ได้ปวดทร์ฟิวกับบ้านนะครับอ่ะมาดู ก, กันว่าปรฟิวคืออะไรนะครับอ่ะทีนี้ยากให้อยากให้เปิด อยากให้นนะมองดูสิ่งที่กาลังจะเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนเห็นนะฮะออคือผมอารประบบปปดาเยอะวตนนี้นะฮะแต่ทุกคนเข้าใจไหมครับว่าทไมเราถึงต้องห่าเงินจากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเห็นหมฮะเห็นเนาะยอมรับได้ไหมครับว่าวันนี้เทคโนโลยีจะเข้ามีกวดบายกับตัวเราแลนะชีวิตเรามากขึ้นยอมรับได้ไมฮะโอเคทัค้งหลามาดูกันนะครับเพจคิวครับนะคือโซเชียลที่เกิดครับเพคิวคือโซเชียลที่เกิ ที่ให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้นะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคือโลกออนไลน์อีกนึงนะครับเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละโซเชียลจริงไหมนะครับแล้วไม่เปิดแข่งไคนะครับโซเชียลท่เกิดตัวนี้ที่ชื่อว่าเิวิวเนี่ยถ้าใครต้องการเป็นที่1เราจะยอมเป็นที่2ถ้าใครต้องการเป็นที่2เราจะยอมเป็นที่3ครับแล้วก็ภาวนาให้หนกับอด้วยเพราะว่าเราจะต่อไปนเอ้จริงไมต้องไม่แข่งนะ กาได้ไมด้เนี่ย้นี้ต้องรู้สึกว่าต้องแข่งขันตลอดเวลาเนี่ยมันมีตู้แพ่งนะใช่ไหครับแต่ถ้าสร้างผลประโยชน์ต่างของแทนซึ่งกันแล้วกันรต้องเกกันไปเนี่ยได้ไหครับรู้สึกยังไงโอเควินวินจริงไม่ใช่วินลูสนะครับวันนี้เราจะทําธุรกิจแบบวินวินนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์ตัวนี้ไม่แข่งขันนะครับอ่ะมันเป็นพื้นที่การแสดงข้อมูลนะครับพื้นที่การแสดงข้อมูลเลยนะ ของแต่ละทุกคนแสดงว่าต enfin ัวตัวเองเนี่ยจะเป็นต้องมียู r ซอร์ทักจริงไหมครับข้อมูลเฉพาะของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาภาพและคลิปแต่ว่าสร้างมาในรูปแบบของคอนเทนต์นะครับทีนี้เนี่ยตัวคอนเทนต์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ทใครยังไม่ออกเราเคยเปิดไปที่ไทม์ไลน์ไปให้ไทม์ไลน์หรือเฟซบุกของเราเแล้วมันก็มีก่องข่าวครับเห็นไหมครับกข่าวดารามีดูดวงมีหวยมีเกมมีกีฬาอะไรนีแล้วคลิเข้าไปคลิไปดูเราเจออะไร มันเล่นไปอย่างนีจริงไหมเ oh, <my> นี่ยะเขาเรียกว่าคอนเทนต์ในนั้นมีอะไรด้วยนะมีเ น, นื้อหารูปภาพคลิปวิดีโอ oh, <my> และโฆษณาจ oh, <my> ับเกมไหมมันมีโฆษณาไอ้เกมที่เราเล่นคำคมคคมสำหรับโปรไฟล์คุณเหมาะกับอะไรอ่ะล่าสุดผมเห็นอยู่อันเนี้ยหรือวันเกิดของคุณคุณมีลักษณะแบบไหนแล้วเรคิดเข้าไปเล่นนียเเฟซบุ๊กเคยครับเคย้งสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงชนิดไหนเหมกับคุณแบบเนี้ยม แล้วมันก็ออกมาเป็นหมาเป็นควายเป็นอะไรเงี้ยนะมันมี้พวกนี้ครับเราได้ค่าโฆษณาเทานั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีการคลิกเขาไปดูเนี่ยครับเขาเรียกว่าคอนเทนต์ซึ่งมันก็มีลักษณะหลายๆอย่างซึ่งวันนี้เนี่ยคอนเทนต์เราก็จะณตอนนี้นะฮะเนื้อหาภาพคลิปนะครับอ่เป็นนื้งที่สาหรับผู้ใช้งานเฉพาะแสดงว่าต้องมี User p a s s w o r d เท่านั้นถึงจะสามารถเขียนคอนเทนต์ได้นะครับแต่ดูดีดนะฮะ โดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเว็บไซต์เพจือ c o m สมมอนว่าเราเป็นผู้สนันกับวเว็บไซต์เลยทาไมเฟซบุ๊กวันนี้ถึงมีเงินมหาศาลจากการขายข้อมูลของเราแต่เขาไม่เคยแบ่งมาให้เราเลยรู้ไหมครับรู้ไหมฮะเขารวยมากเลยนะแต่เขาไม่เคยแบ่งเงินให้เราเลยทำไมครับใช่ตอบได้ว้างพอเวาให้เราใช้ฟรีคราพอเขาให้เราใช้ฟรีถูกต้องครับผมมือให้คนที่ตอบได้ห่อยาที่มบอกนี่ พี่เขาคุณรู้หมดสิพี่รู้แล้วพี่ตอบอะไรดีถูกต้องครับเขาไม่เราใช้ฟรีเพราะว่าวันนี้การใช้ฟรีของเราเสมเหตว่าเราไม่ได้ลงทุนเป็นผู้ส่วนอะไรกับเขาเลยจริงไหมแต่วันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็าไปปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเขาจริงไหมครับผู้ที่ลงทุนเะน่ยโครงสร้างแบบเดียวเลยเพียงแค่วันนี้เราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบของเขาเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ส่วนของเขานะครับแต่วันนี้เมื่อเรามีการซื้อพื้นที่คอนเทนต์ ครับเราสมัมาชิกพวกเนี่ยเราซื้ อ, อพื้นที่ตรงนี้เราจะเป็นเสมือนหุ้นส่วนกับเวอบเบนี้เลยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับจากการใช้งานแสดง ว, ว่าต้องมีการใช้งานต้องมีการโพสต์ต้องมีการเล่นนะครับโซเชียลต้องการกลุ่มผู้ใช้งา น, นะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องมีการชวนเพื่อนใช้นะครับแสดงว่าการขยายงานของกลุ่มเฉพาะของเราเนี่ยเช่นตัวเราชวนเพื่อน เ, น, นเขาก็เป็นเขาก็จะ เ, เป็นกลุ่มเฉพาะของเราใช่ไหมครัแสดงว่าโซเชียลที่ไม่มีการใช้งานไม่ใช่โซเชียล เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่ามันต้องชวนคนด้วยเลรอใช่ครับเราเป็นโซเชียลมัต้องชวนเพื่อนเล่นจริงไหมจริงไหมครับโซเชียลมันมีการชวนครับนะครับแต่การชวนนี้จะเป็นการชวนที่ไม่ฟรีเราจะมีผลต่างตอบแทนจากการขยายทีมงานเฉพาะตนนะครับคือผู้ใช้ของเราน้ะครับและมันจะเรียงลำดับโครงสร้างของเวรบานเว็ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเรียงแับไหนนะครับแล้วเราจะได้อะไรอะไรบ้างครับสรุปง่ายง่ายนะครับโซเชียลวนเพื่อใช้งานได้เงินจบไหม จบนะง่ายๆเล่นนะมีใครคิดว่าเป็นผพื่อนอีกใครตรงอยู่ไหมฮะต้องเคลียร์กนะต้องต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ครับเลยนะคือวันนี้เรากำลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแล้วนะครับทุกท่านกำลังจะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่ามิติใหม่ของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์บนโซเชียล โ, โดยที่ไม่ต้องขายของเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเก๋ไมใช้างานธรรมดาไล้ชวนเพื่อนใช้างรรานไดแต่ได้เงนเดี๋ยวเราดูกันได้เงินกนะันยังไงบ้างนะฮะ มันก็คือแค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานนะข้อมูลของเราปกติเาราพูดเป็นทไหนครับรูปภาพ Facebook Google YouTube Instagram ใช่ไหมครับได้เงินไหมครับ ไ, ไม่ได้เปลี่ยนอีกนเพิ่มสักตัวนึงเนี่ยเอาข้อมูล้วก่อนที่จะแชร์ไปที่โซเชียล ต, ตา่างโพสไปที่เพจคิวคสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาครับรูปภาพเนื้อหาดีดคำคมไอเดียดีมีใครวันนี้เนี่ย ผมเห็นหลายๆถ้ท่านน่ะมีไอเดียดีๆมากเลยนะแต่เขียนลงไปบนอิมเทอร์เน็ุ๊บก็คือจบตัวข้าหรือมีรูปภาพสวยๆหรือมีคติดีๆคำคมดีๆมีมีใครชอบโพสแบบคำคมไม่ได้อยู่นี้นะมีไหมครับมีเนาะโพสไปเสร็จแล้วได้อะไรครับไม่ได้ทั้ๆที่มันเนสิ่งที่ดีมากเลยครับแค่วันนี้เราเพิ่มสเต็ปเข้าไปต่เลยเพิ่มเห็นอว่าเขียนในนี้เลครับ แล้วแชร์ไปที่โซเชียลที่เราใช้งานอยู่เช่น Facebook เช่น Line เช่นก o g กิล l a s s หรือว่า Twitter นะครับแค่นี้นะทุกท่านสามารถได้รายได้จา้อนีด้วยเดี๋ยวมาดูกันก็ามันได้ยังไงนะครับรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือหน้า Homepage อันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0 นะครับมรดูกันมีส่วนประกอบอะไรบ้าอันนี้ร a s h อ o ์ดของ 2.0 นะครับ 2.0 นะฮะมีทั้งโปรไฟล์ใส่รูปได้แล้วนะฮะใครมาช่วง 1.0 ทนหน่อย หน่งนใส่รูปได้ยัใส่ใครใส่รูปหรือเป่าใน 2.0 ใส่แล้วนะนะฮะเร็วขึ้นไหมครับ 2.0? นเร็วขึ้นนะครับทำงานงาใช่ไหมครับนะฮะนะครับ็ตต้นะฮะฟิแนนเชนะครับการสร้างคอนเทนต์ต่างนะครับทุกอย่างจะอยู่ในมเสมอว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับคอนเทนต์ที่เราสร้างนะครับเราสามารถแชร์ไปที่ไหนก็ได้แก้ไขได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ล่าสุดนะ PPAP นะท้ใครใคร โอ้อยอย่าอหรอกนะตอื้ อ, อนะความเป็นแน่คุเขาคิดได้ไดนนดงไอ้แฮมเอเมีไหมคุณแล้วต้องยากอยู่ในหัวหุมหลอนก็คอือหนางฟังรอบเดียวใมแต่ีห็นห <Patreon S 1> <นะ S 2> ผมต้องพเรือวที่ผมสนใจเรื่องคลิปที่ผมสนใจนะฮะอะไรเนี่ย อ, อันนี้ตอนผมไปกัมบพบูชามาะผมไปเทสต์ในเรื่องของการใส่คลิปวีโดโอให้เขาดูนะฮะอันนี้ไปที่กัมพูชานะครับนี่ฮะสิ่งที่ผมสนใจ โพสไปนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโพสใหดูกันสดๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องผลประโยชน์การของแทนละเราจะได้อะไรบ้างมีใครมาวันนี้พอเรื่องนี้โดพาะก็นะยอมรับมัซดีกูนี่แหละแต่กูไม่ยมกูหาเพื่อนใช่ไหมอ่ะมาดูกันนะครับณเวลานี้นะครับเราจะได้ผลประชนกาขายแทนอยู้าข้อหันะฮะึ่งคืออะไรได้จากการขายพื้นที่นะครับ การไปคุยกับสสวเราจะออนไลน์เัาเรียนได้ข้อนี้ไนะครับข้อที่2ครับเมื่อมีการสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องเรียนโครงสร้างในระบบบริเวณนะครับเขาจะมีรายได้โครงสร้าง 1% นจากสมาชิก20เจเนเรชั่นให้ด้วยนะครับตัวที่3ามชา่านะครัรายได้จากการบริหารสมาชิสิบนะครั บ, าารรรนะรบแล้วก็ตัวที่4คือจากการใช้งานรก็คือตัววิวคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตัวที่5คือการแป่งเซนเตอร์นะครับมาดูแต่ะตัวกันนะครับณตอนนี้มี มากขึ้นวนี้นะครับ ท, ทำให้เราเนี่ยสามารถมีมีมีรายได้จากการใช้งานที่มากขึ้นนะครับแลวปัจจุบันมี5ตัวนะครับตัวที่หนึ่งเราได้การขายพื้นที่50นะครับยกตัวอย่างอย่ายคือตัวเราใช่ ะ, ะเอ่อต้องต้องบอกก่อนะ ค, ะคนรับว่าโครงสร้างที่เนี่ยรายได้ตรงเนี้ยผมไม่ใช้ของแผงการตลาดแล้วกันรางคนพี่ผาแผงผมด้ผ่า อ, อะไระไม่มีอะไรให้ผาปกติแล้วเนี่ย ลักษณะของแผงการตลาดที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักมาเก็ตริ้งแต่ซับซอนสังกเกตไหมตรงนี้นะต้งนีทีวีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องมาจับคู่ซ้ายขวาต้องมีเพาเวอร์เล็กต้องมีอะไรนะวกเล็กต้องมาซัซ้อนนี้เนะิงนี้เลกโอยเยอะแยะนปหมดเลยน ะ, ะปวดหัวมากน ะ, ะนั่นคือแผงกัรตลาดที่ซับซ้อนนะครับอันนี้ให้ลืมเลยนะแผงกตลาดนี้เถ่นโงมากเือยเลยผ่านภาษาตุ๊กอย่างี้เลยน ะ, ะเราใช้งาในค อ, อยู่ครับ แล้วเราก็มีกลุ่มเรื่องจริงไหครับที่เราอยากจะให้เขาใช้งานด้วยเราก็แค่ไปชวนเขาใช้งานนะไปมาใช้งานติดทีวีคิวกันะครับมีเพจทีวีคิวหรือยังสมัครใช้งานสีบันได้อะไรบ้างอธิบายกับเราตีหน้านะครับทุกการสมัครนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะมีค่าสมัครเท่าไหร่นะครับซื้อหนื้อที่คอนเทนต์ในราคา 1,000 บาทตลอดชีวิตฟรีนะนบาทนี้ไม่ต้องจ่ายซ้นะซื้อครั้งเดียวจบเหมือนท่านซื้อ พื้นที่อสังหาริมทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตแล้วปล่อให้มันนอกเงินตลอดชีวิตเลยเก๋ไหมโอเคไหมวันนี้ลงทุนต่ำจริงไหมเข้าถึงได้ทุกคนไหมได้รับเรามองในมูลน้ำมันดิ่นี่เนะถ้าวันนี้เลือกได้ระหว่างการซื้อพื้นที่นะครับพื้นที่นะในราคาที่ในาราัาบนอินเทอร์เน็ตสมมติซื้อมลตตัวหนึ่งพื้นที่เวเลตัวหนึงปีละสพกับซื้อตลอดชีวิตเลยพันเดียวเอาอะไร จริงนะพันเดียวถูกมากนะครับทีนี้นเมื่อมีการสมัครเข้ามาใช้หนึ่ง user นะครับเราจะได้เขาเรียกว่าค่าการขายพื้นที่นะครับค่าการขายพื้นที่ตรงเนี้ยห้านตทันมไหมทันนแสดงว่าเราแนะนำหนึ่งคนเราได้เท่าไหร่ครับ500ฝากเรื่อง ก, การสื่อสารสักเล็กน้อย บางครั้งเนี่ยบางครั้งเวลาที่เรามีภาษาติดปากเราก็อยากุูมัน่ง่ายนะเนี่ยแนะนคนเดินได้หัวละาจริงหเราเคยมีคนร้อนี้กับเราไหมแลวเรารู้สึกยังไงรรู้สึกรู้สึกเหมือนโดนกินหัวไงรู้ไหมรู้สึกหมรู้สึกเหมือนใครจะมาทาอะไรไม่ีไม่ดากับเราหรือเปล่านีรู้สึกว่าเราเสียไปบอกจริงไหมเรารู้สึกไหมว่ามีคนมาพูดว่าเนี่ยแนะนคนได้หัวละห้าร้อยเรสีว่าเราต้องเสียหัวไห้าร้ย จริงไหมการสื่อสารมีผลมากครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราได้คาคำเนี้ยมาจากสพมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตามกฎหมายคําว่าฟาสต์ลารหรือคำว่าค่าแรงไม่สามารถใช้ได้เกิน 20% นะครับสพมนะครับให้คํานี้มาเลยนะครับเราเป็นเราเป็นหุตรหมู่ที่ไม่ต้องจัดอยู่ในธุรกิจที่ต้องมีสพมแล้วหรอกนะผมต้องบอกอีกแบบนะบถามว่าบีตกฎหมายไหมไม่เลยครับถ้าผิดกฎหมายใครผู้ผิดกฎหมายลาย่าที่กฎหมาย นะิากมอ่ร์ุกอยางบแงทีเป็นโซเชียลนะครับทีนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ตัวนึงมันเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ตัวนีนะ้ที่เราไปซื้อมาใช้แล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขายต่อให้ใครก็รได้นึกออกมขายต่อให้ใครก็รไดนะไไนะ้นะครับกํารตโอเคไครับโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอยนี้ถ้าทุกคนเข้าใจจริงจะรู้เลยจริงๆว่าเราอะ ไม่ผิดกฎหมายเลยนะถ้าใครมองแพลตฟอร์มตรงนี้ออกจะรู้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มของธรุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่สบปกังวลเพราะว่ามันมีการเชิญชวนนใช่ไหมคนระัมันมีการเชิญชวนกันนะครับมันมีการลงทุนใช่ไหมครับสิ่ ง, งที่สบปกัวคืออะไรนะครับมันเข้าข่ายการระดมทุนไหมผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเป็นแชร์มอนิเกอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะเคลียร์ตรง น, นี้ให้นะครับที่พี่พอ ได้รับข้อมูลตัว น, นี้เสร็จปุ๊บหนเลยนะครับถ้าผมเคลียร์เข้าถ้ายหนึ่เลยนะครับ1จะรู้เลยว่าไม่ผิดกฎหมายสจะรู้เลยว่าเราได้ข้อที่ผมพูดถึงเมื่อที่ในในที่จะพูดถึงนี้จ่ายได้เลยโดยไม่โอ OK เคอร์เพแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครอ้าแสดงว่าเราชวนกี่คนก็ได้เราชวน10คนเราก็ได้5้าเราชวน20คนเราก็ได้เบื่อเด่นนะครับเงินเวลาเข้ามานะคะรับมันจะเข้าไปในระบบนะครับไม่ไม่ใช่แบบนี้นะจ่ายไปพันนึงแล้วเราก็หักเอาห้าร้อ ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเงินจะต้องอจ่ายเองนะฮะจ่ายเข้าไปในระบบมันถูกแปลงเป็นระบบรียบร้อยแล้วนะครับเงินที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกแปลงเป็นคิวนะครับเราใช้คูปองนะฮะคิวนะฮะคิวไม่ใช่ดิจิตอลตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของการดิจิตอลนะครับการดิจิตอน Digital บ้านเรายังไม่ไม่ผูกกฎหมายนะรู้ใช่ไหมนะใครเล่นพวกฟรอยนี่ก็จะรู้ใช่ไหมนะว่ามันไม่มั น, ม, นมันยังไม่ผูกกฎหมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ลองเป็นภาเราเล่น Facebook กันมาเป็นแบบหลายปีเนาะพอรอเริ่มเกิดเป็นไหมรู้รู้ไฮะว่าก่อมันมีนะครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ทางธุรกิจอันนี้พูดเรื่องจีนนะครับกฎหมายบ้านเราพัฒนาไม่ทางธุรกิจนะครับทวโลกเขาไปไกลมากนะทุกวันนี้โลกดิจิตอลมันนี้ต่างๆนะครับเขาได้รับการยอมรับหลายอย่างแล้วนะแต่บ้านเรายังเป็นธุรกิจกฎหมายอยู่ซึ่งก็ปอดจากนั้นนะฮะทำอะไรไม่ได้นะับ เอาไว้านะครับคิวไม่ใช่ดิจิทัลตอนนี้คิวเป็นเพียงคูปอไม่สามารถเอามาแลกเป็นไม่สามารถเอาไปซื้อของได้นะครับแต่แลกเป็นเงินสดออกมาจากระบบของตัวบบอเองได้นะครับเช่นแนะนำอื่นคนได้กี่คิวครับ ส, สิคิวมีแนนพ็คภาษีเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับทุกอย่างเข้าไปที่รัฐบาลหมดเลยนะครับอ่ะโอเคชวนกี่คนก็ได้นะครับชวนกี่คนคืนคืนฮะสองคนนะครับง่ายอย่างเงี้ยอ่ะถ้าชวนเพื่อนในหนังนะครับ ตัวที่สองคือเมื่อมีการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ไปไหนมีคงถา ม, ถามว่าคนเหล่านี้ไปไหนเขาก็จะไปอยู่ในโครงสร้างของ v ว r ร์ไ e บนี่ออกเนียเหมือนเราสมัครเฟซทุ๊กเข้าไปเฟซ b o o กก็จะมาเรียงลดับตัวใช้งานครับึ่องาี่ามันจะไปตัสิไลฟไปไหนเรื่อยๆนะแต่แพลตฟอร์มเขาถือแพลตฟอร์มแบบซิงเกลิลนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีผลประโยชน์ต่างกันแทนร่วมกันแต่ว่าพอมีผลประโยชน์ต่างกันแทนร่วมกันเนี่ยมันเลยจำเป็นต้องมีโครงสร้างการเรียงลำดับดบนะครับ เราเคยเจอธุรกิจ MRM อันเยอะเนาะนะครับตอนีเราก็จะเจออะไรฮะ Binary, i e n t i t y s t a t s Universal ใช่ครับที่เราเป็นบ่อยๆใช่มวันนี้ต้องอยากให้ทุกคนลืมภาพพวกนั้นก่อนนะครับที่เนี้ยมันเรียงลำดับแต่มันเรียงง่ายที่สุดเรารู้ใช่ไหมครับว่าโครงสร้างที่ง่ายที่สุดในการจ่ายเงินของธุรกิจในเบื้องแรกตีมิงคือแผนแผนอะไรฮะ Binary แล้วมันเป็นเรงจงไมเพราะมันมีมี แต่โครงสร้างนี้ไม่มีจักคู่ไม่มีแมทชิ่งฝังนี้นะโครงสร้างนี้เป็นเพียงการเรียงลาดับเลยครับเรียงลาดับนะตามลำดับการสมัคร<อ>สมมติคนว น, นนี้เดี๋ยวผมย้ยอนให้ไปคนคนนี้สมัครเข้ามาคนที่1่เราชวนเข้ามา ม, มันจะลงมาอย่าเราชวนคนที่สองมาเข้ามาอยู่ฝั่งนี้เราชวนคนที่สมมา4 5, มาห้ามาก็ลงมาแบบนี้คอมพิวเตอร์จะเพลสกับระดับเลยนะแสดงว่ามันจะเป็นชั้นสองสี่แป2สิบหกสาม่องนรียงนี้เลย ได้เรียนความนี้เลยนะครับทุกคนที่เกิดอยู่ภายใต้โครงสร้างไม่ว่าเราจะแนะนำเองนะครับังนี้นะฮะไม่ว่าเราจะแนะนำเองนะครับไม่ว่าทีงานเราจะเป็นผู้แนะนำแล้วเขาเกิดมาอยู่ในโครงสร้างนะครับคอมพิวเตอร์จะเพลสกัดอัตโนมัติเพลสอตโนมัภายใต้เงื่อนไขอยู่ใต้ LINE OF s p o n s o ซของตัวเองเท่านั้นแสดงว่ามันจะไม่มีการโยนข้ามสายงานกันโอเคครับถ้าทางผมไหมคนอ่อบถามผมอ้าแล้วแบบนี้ข้าสมัครทีงานไปมันก็โยนให้สายอื่น ไม่ใช่อยู่ข้างล่างที่เลยแต่อยู่ในตำแหน่งอันผมไม่ทราบเพราะว่ามันเพรสออโต้แต่เนื่อนไข่งอยู่ภายใต้โครงสร้างของพี่เท่านั้นแสดงว่าถ้ามี10คนอยู่ข้างล่างเรามี10คนอยู่ข้าเ่าเมื่อมีคนที่สิคนที่สิเพรสไมไหนเนก็เพรสได้สี่คนได้ครับแต่ไม่รู้อยู่ตาแหน่งไหนของคนที่อยู่ภายใต้นะครับแสดงว่าเมื่อมันมีการเพรสออโต้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีขาออนขาแข่งถ้าไเราเคยมีฟีลลิ่งไหมไม่อยาอยู่ขาอ่อนเนี่ย มีั้ยมีจริงไหมไม่อยากดูขาวออกเนี่ยหาตั้งตกไม่ทำเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมี ไ, ไหหาตั้งตกไม่ทำเลยเนี่ยมีตั้งแต่ล้างเลยหาตกไม่ทำนะฮะอ้เนี่ยไอ้คนมาเจอไอ้พ่อเหนือเนี่ยหาตกไม่ทำเลยเนี่ยมีใช่ไหมนะลืมไปเลยนะครับที่เนี้ยตรงไหนเล้าแหวะจะไปเติมก่อนปึ้งเนี่ภายใต้เงื่อนไขเดิมนะครือของแพงของอันนะครับ สมมติว่าทีมงานเกิดเทสออกมามันก็มาอยู่ล่างทุกคนที่เกิดขึ้นเราจะได้ 1% ตอบเลยนะครับชั้นที่1นึ่งะฮะนับจาก2องคนนี้มานะครับคือชั้นที่1 2 4 8 16 3-2 ส4่แดกงนีได้มาเรื่อยๆนะครับ20่สิบเจเนเรชันเราจะได้จากความดีนะฮะหค่าสมัครสมาชิกตจากเงินหน่าน2คือ 1% จาก Service System s e นะครับ y s t e m แสดงว่าข้อนี้ได้กี่อันนะ 2, 2ตัวนะค่าสมัครสมาชิก กับ Service System แต่ว่านะตอนนี้เรายังไม่มี Service System มันเลยได้มาจาก 1% ของการสวสมาชิก1นนบาทนะครับอ่ะสมสมติว่าเราตดตัวเลขนะ24งสี่แปัได้มเรอยยี 24, 86, 86, 87, ่สิบชั้นรู้ไหมครับเรามีกี่ user? 2, ยูเซอร์0 0งล้ยูเซอร์เชื่อไหมคูณทีละสเนี่ย20ยเจนนะมี2อล้านยูเซอร์ใครกันไม่เชื่อผมก็มี2องล้านยูเซอร์ลองกดขึ้นไม่ได้อยู่นะครับทีนี้ฮะ2ล้านยูเซอร์เนี่ยคถามคือว่า d ราเคยเห็นบริษัทเน็ตเวิร์กเว็บติ้งบริษัทไหนไหมที่มีคนใช้งานที่เป็น User ถึง2อลนยเซใช่ไมครับไม่เยนะทั่วโลกนี่ยเอแบบทั่วโลกเยผมว่าแสงเเก่อะใช่มเอ่อถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงคำถามคือมันจะเกิดขึ้นจกับเราหรอจรม้ยยัง่ขนาไ้องตกใจผมตั้งคาถามให้ม พี่ว่าวันนี้คนใช้โซ c ชียลในกีกี่คนบนโลกจริงปะเรามาดูความแตก ต, ต่างนะครับถ้าที่บอกเป็นธุรกิจขายตรงมันไม่มีทางมองอะไรไทางเกิดขึ้นผมเป็นนักมาร์เก็ติ้งผมรูนนะ้มมอยู่แล้วว่าสองน้ำยู s ซ r ร์ในธุรกิจายตรงไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโซเชียล e น w o r k s o โ i a l ี e t w น r k s o c i โซเชียลในิรดมันไวไมากยมันมันไวแบบไฟลามงย่างได้เยร็วมพ่อหายหาเจอจริงปังโซเชียลอ พ่อหายยังหาเจอมันเร็วครับมันอยู่ทั่วประเทศนะมันอยู่ทั่วโลกมันอยู่ทุกซอกมุมนะแมาาแ่ค้าขายส้มตมไกนน่นน ย, ย, ย่างก็มีโซเชียลครับมันมีหมดครับทุกวนนี้เนี่ยคนเสพโซเชียลเยอะมากครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในโครงสร้างและเร็วมากเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคอมพิวเตอร์เพรสอัตโนมัติครับโอเค ถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึที่เราจะได้คอหน่งเนตนะครับหนจากคิวที่เกิดขึ้นสมมติว่าสมัครมาหคนเราจะได้บาท่บาทก็คือนงปนะครับบาทก่านคิวครับบาท ม, มีสงคนแสดงว่ายี่บาทบาทก็คือศูนย์ีคิวแลขหน้ามันไม่เยอะหรอ่ห่อมาดูคิวรวมนิดนึ่ง ะ, ะสมมติว่าชั้สิ0 ชั้นที่ ส, สเรามีคิวรวมตรงนี้คิวรวมนะฮะรวมมันอชั้นที่1เลยนะครับได้มาคิวรวมท่านเนี้ยเราจะอยู่ที่4 9่เคิว4ี่ราคิวเนี่ยลองนึกภาพนะครับเอาคูณ50าัได้เท่าไหร่นะประมาณ 20,000 เนาะใช่ไหมสองห0จากเงิน 1,000 บาทเนียล่นโซเชียลไปไม่รู้อร่อะไรก็ตามแต่แต่ดีกลายเป็นเงิน2อได้แปาสนใจทีนี้พี่มาดูตรงนี้ดี ๆ, ๆนะครับ รายได้มันไม่เยอะครับแต่ตรง น, นี้ถ้าใครม อ, อ, อกจะรู้เลยว่ารไรได้ตอนนี้เป็นราได้ที่ชีวิตคนได้เลยนะจากบแคทย์หนึ่งพัน น, 1, นะครับฟังนี้นะครับเมื่อมันมีโมเมนต์ตั้มเกิดขึ้นเี่ยสิ่งหนึงที่เราจะเห็นเลยคือวันนี้โซเชียลมัเร็วพอมันเร็วขึ้นเนี่ยคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรืเ่อยๆเราจะมชั้นที่ยีสิบกัน ชั้นที่20เนี่ยชั้นเนี้ยเฉพาะชั้นนี้จะมีคนอยู่1ล้านกว่า user รวมทั้งหมดเนี้ย2ล้าน user คิวเรามีรวมทั้งหมดคือ 419,430 คิวเอา50คัณได้เท่าไหร่ครับ20ล้าน 1,020 ล้านได้เอาไหมได้สนใจไหม20ล้านพลิกชีวิตไหมโอ้น่าเอาเรื่องอยู่แนะใช่ไหมไม่ต้องเชื่อผม ลองไปกดข้นที่เล่มู่ครับ20ล้านแบบนี้จริงๆเพราะว่าตัวเลขไม่เคยโกมันคือความจริงจากพระเจ้าที่ไม่เคยโกกด2อก็ได้สกด4 2ก็ได้นะครับเรามีหน่วยคิอครับเนินตรงนี้นะครับเราจะได้จค่าสมัครก้อนเดียวครั้งเดียวกัน20ชั้นจบนะบไม่ต้องถามคชั้น็ได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคนะครับเราเอาีชั้นก็พอแล้วเนาะยีล้านอยู่ไหมฮะโอเคไหมได้อยู่เนาะยีบล้านนี้พอเนาะ ต่อให้มันไม่ใช่20ล้านต่อให้มันไม่ใช่20ล้านเงิน 1,000 บาทแปลงเป็นเงินสัก2แสได้ในช่วงเวลาระยะสั้นๆอางโอเคโอเคเนาะบางทีพวก20ล้านเรื่องจะต้องไม่ได้ไงแต่ถ้าพวกสัก 20,000 2สนเนี่ยเอ้ยโอเคนนเล่นใช่แต่ผมบอกเลยครับอยากจะให้ความเชื่อมั่นยังโครงสร้างเนี้ยมันเป็นออโตเพสพอเป็นออโตเพสเนี่ยมันจะเป็นแลวก็เด่นที่เกิดขึ้นคือทุกคนรับผิดชอบจุดบ้างของตัวเอง แล้วมันจะเกิดขึ้นจากการใช้งานที่เป็น end user คือเขาใช้งานจริงแล้วเขาก็จะบอกต่ อ, อจริงๆกับเพื่องเขาสิ่งนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืคนจํานวนมหาศาลที่เราอ ย, อยู่แล้ววันนี้เราไม่ได้มีการวางแผนแค่ในประเทศไทยเราวางแผนเวอร์ไวแสดงว่าเวอร์ไวเนี่ยมีคนเจ็ดพันล้านคนที่กำลังร อ, อยู่เจ็ดพันล้า น, นที่กำลันรอยอยู่แล้วโครงสร้สาขงของรายได้มันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่ตัวนี้อย่างเดียวครับต่อให้เราทําได้แค่ยี่สิล้านครับเราส่งต่อได้2อล้าน3ล้าน4ล้านห้าล้าน ทีนี้มาดูกันนะครับ่ล้านตรง น, นี้ผมขอแยาตีเป็น20ล้านก่อนนะนะฮะเราจะเอาไห้ยี่ล้านเอานะทีนี้20่ล้านได้แล้วจะได้แค่ครั้งเดียวกรณีนะครับแค่ครั้งเดียวควาถามคือว่าอัปมาครั้งต่อไปอจะได้อะไรใช่ไหมเซอร์วิสซี s เต็มผู้ตรงๆก็กอยากจะใยอะนเราแต่ควาว่า s e r v i c e System เนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจ ค, คือเราจะไม่จ่ายเป็นสดแม้แต่น้ำเดียว เราจะรู้สึกว่าเราสบายๆในการเ e r ร์ c e นมากเลเพราะว่าวันนี้เราเซอร์วิส s t e m คือเราบริหารครับคิวที่เกิดขึ้นในระบบเดือนละ6คิวนะตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ลองพูดไว้ก่อนนะครับ6คิวต่อเดือนนะครับบริหารผมบอโอ้ย6คิวเลยเหรอ6คิว300บาทต้องจ่ายทุกเดือนเลยเหรอโอ้ยจะเอา6ล้านต่อเดือนผม่ายกับ6คิวใช่หคือบริหารเงิน300บาทแล้จะเอาเงินหลันั้นที่าเ็นัวได้ยจริงมั เรเห็นหน้าพี่ผู้ดีสานพ่อไหครับนะแม่ีสานนะพ่ออู้กับเรงนะฮะแม่เ่าว่าดีสานนะฮะแต่ทีนี้อย่างนี้ก่อนนะมีเพื่อนคนตายหรือแรงตายได้นะฮะนะครับต่ีนี้อี้ก่อนนะครับกลับมาตรนี้นะกับมาตรงนี้นะครับเซ y ร์วิสซิสเตเนี่ยเราจำได้ไมนว่า6กคิวไ่กี่บาทนะครับ้อบาทไม่ต้องไปซี้แยกกันนะครับบริหารค่าเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าในเดือนนี้พี่มีรายได้ร้อยคิร้ยคิวเท่ากับประมาณอยู่บานห้าพนใช่ไหม เวลาถอนเงินออกมาเนี่ยถอนสัก94คิวได้ไหมครับได้นะโอเคบริหารง่าง่ายนะครับแต่สิ่งนึ่งดูนะครับที่จะเกิดขึ้นในโครงสร้างเนี่ยสอล้านยูเซอร์2ล้านยูเซอร์มีการเซอร์วิสซิสเต็มที่ได้3บาท 1% ของ300หรือ3าบาทใช่ไหมสาบาทจาก2ล้านยูเซอร์ได้เท่าไหร่ครับหล้านต่อเดือนเน้นๆเลยเป็น Passive i n c อ m e ์่าต่อเดือนตลอดอออชีวิตเลย รายได้ที่ทให้คุณชีวิตได้หลยจากข้อสอนะครับเนี่ยจาก1นึ่บาทมันเล่นกัน่างนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ข้อ2เคียร์ไหมครับเคียร์นะนะครับเงินทุกอันจะถูกไปเป็นคิวเงินโบก่อนนะครับหึ่งคิวระ่างหสบาทนะครับเด่นยาวนะฮะตัวที่3ผมชอบรายได้ข้อนีมากนะครับข้อนี้เนี่ยทให้เราเห็นอย่างหนึ่งคือไม่โอเวอร์เยไม่มีการจ่ายไม่มีการร่วมของบริษัทแล้วก็ส่งต่อว่าท่านคัที่ดีด้วยให้คนลงไปช่วยเหลยวกันช่วยเหลือกันยังไงรู้ครับรู้นะครับ แต่แล้วตอนนี้ผมใช้ชื่อมากเลยไร้จากการบริหารสมาชิก 10% ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำธุรกิจที่เป็นเครือข่ายหรอบางแห่งก็จะมีคำว่า m a t c h i ่ g ใช่ไหมฮะรู้ไหมครับสิ่งนึงที่คนกลัวที่สุดคืออะไรนะทาไมถ้าพักแล้วบริษัทลงกับเจ๊งจริงป้ะกลัวไหมกลัวนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะเราเห็นหลักฐานมาเยอะมากแล้วจุดนึงฮะที่ผมบอกนะครับถ้าใครเล่นการตลาดของ networking มาคุจะรู้เลยว่าถ้าเป็นบตอ่หรือว่าคน ถ้าเป็น m าร์เรอรมันจะมีจุดหนึ่งนะฮะที่มันจ่ายโอเอร์ o o K, แล้วมันก็เจ๊หรือว่าแผนตลาดที่มันมีเด่นที่มันมีแมชชิง่งพวกนี้มันจะโอเวอร์ o K. หรือผู้บริหารไม่ซื้อผู้บริหารไม่ซื้อนี่ก็มีเหตผลนะฮะเราเคยเห็นใช่ไหมทำให้สาผู้บริหารเงินเราใช้ระบบก็ไม่ลงทุนอย่อยางอนเี้เราเคยมีหลักฐานพวกนี้มามากมายมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะลืมภาพผู้บริรไปเมื่อกี้กลับมาตรงนี้นะฮะการบริหารสมาชิกเนี่ยไม่มีแมชชิ่ ไม่มีเด็กแต่บริหารยูเซอร์ by user นั่นหมายความว่าวันนี้เราอชวนกี่คนก็ได้แล้วเราก็ไปบริหารให้เขาเกิดรายได้เมื่อเขามีการถอเนเงินจากระบบเราจะได้จากเขา 10% ทุกครั้งนะครับต้องสื่อสารตรงนี้ดีๆเพราะว่าถ้าใายเข้าใจตรงนี้ส่วนใหญ่คนไทยจะกลัวได้ไอจะกลัวเสียเป็นแน่กลัวเสียแต่ไม่กลัวได้จริงๆนะคนไทยกลัวเสียกลัวเสียผลประโยชน์กลัวเสียเงินกลัวนั่นกลัวนี้แต่ไม่กลัวได้แต่นะ สมมติว่าพี่ผู้ชายชื่ออะไรนะครับอะไรนะพี่เหรียญโอเคพี่เหรียญนะครับผมเลยพี่เหรียญนิดนะฮะพี่เหรียญเนี่ยนะครับพี่เหรียญนะครับมีสมาชิก10คนที่พี่เหรียญแนะนำตรงตรงเลยนะครับและตอนนี้เราได้จากสมาชิกที่เราแนะนำตตรงๆลยสมมติว่า10คนนะครับพี่ลงมาช่วยให้10คนนี้มีรายได้คนละ1ล้านบาทอ่างี้นช่วยให้เขามีรายได้คนละ1ล้านบาทนะครับ เมื่อเขาเกิดการถอนเงินออกจากระบบจะมี 10% วิ่งเข้ามาที่ี่เหรียญครับทุกคนทุกครัที่มีการอสมมติว่าถอน1ล้านสิคนพี่เหรียญได้เท่าไหร่นะ 100,000 สิคนเท่าไหร่1ล้านแสดงว่า10คนที่ถอนเงินไปเขาได้เจริงๆคือ 900,000 ัผมีนะได้ 900,000 นะครับแต่ถ้าพี่เหรียญถอนเงินงออกจากระบบครับพี่เหรียญมีผู้แนะนากี่คนนะหนึ 1, 1> 1, <000. S 2> ่งคนจร่ไหมคนที่แนะนาที่เหรียญใช่ไหมที่เหรียญถอนเงิน1ล้านออกจากระบบ ที่เรียนได้9แสนเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเราสื่อสารดีนะครับเราจะตกรอเสียที่ผมบอกแต่เราลืมไปว่าวันนี้เราอ่ะผมใช้คำว่าเสียจริงๆนะเราอ่ะให้คนทั้งคนหนึ่งคนแต่เราได้จากคนกี่คนก็ได้ทันหมดไหมะแสดงว่าเมื่อซิสเต็มมันไม่ีการแตกรับรายได้ข้อเนี้ยมันจะไม่มีเงินเอาเงินในซิสเต็มมาจ่ายพอมันมันพอมันไม่มีการเอาเงินในซิสเต็มมาจ่ายโอเวอาเนี้ยมันลงได้ไหมฮะ ไม่ล้มนะมันให้ user บริหารเอ ง, เองทำไดนะ้ไหมซ y s เต็มยังคงอยู่เพราะไม่มีการแ บ, บ่งรับภาระเท่า น, านี้โอเคไหมครับแต่ต้องสื่อสารให้เข้าใจวันนี้เราได้มากกว่าเสียนะครับเราให้ user เป็นแค่คนเดียวแต่เราได้มาจากกี่คนก็ได้นะครับเรียบร้ยครับแบบนี้โ อ, โอเคนะคช่องทางทำเงนินของเราจะเป็นต้องมีการเดินออกเพราะฉะนั้นเราต้องยอมให้ระบบ เราต้องเราต้องให้ระบบไม่แบบภาร ะ, ะผมใช้คํพูดนี้กันเราต้องไม่ยอมให้ระบบแบบพาระโอเคไมครับโอเคนะเข้าใจเคลียร์มครัข้อ3ามเข้าใจโอเคนะไปต่อที่ข้อ4นะครับไปต่อที่ข้อสี่ข้อ4คือข้ขนววอนีน้นะครับตตวิคอนเทนต์นะครับเมื่อกี้เราจบไปเรื่องของเขาเรียกว่าการการเชิญชวนเพื่อนๆใช้งานนะครับาข้อแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามองภาพใหญ่จะมีแค่สองอันนะมีแค่การชนเพื่อนกับการใช้งานนะครับเรามาดูเรื่องการใช้งานกันก่อ น, นะครับรายไดจากการทำวิวคอนเทนต์นะครับคือบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราไม่เข้าใจข้อ น, นี้เราจะตอบเพื่อไม่ได้ 1-3 มเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มากทุกวันเร า, ากนใเงนได้ทุกวันนะครับจากทีนี้นะครับเงินเข้าบัญชีไม่กเกิ่แปชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มโอเนเงินเข้าในเวอร์ชันสแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ใช้งานณตอนนี้นะครับคุณจะสามารถถอเงินได้แล้วนะครับ รายได้จากวิวคอนเทนต์เนี่ยมันมาแบบนี้ฮนะมันมาเดือนละ1ครั้งรายได้ข้อ น, นี้เป็นรายได้ลักษณะของน้าซึมต่อสายฟ้มของนนะไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับข้อ น, นี้มันเป็นรายได้ที่มาเดือนละหนึ่งครั้งเป็นลักษณะของการเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตแสดงว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างหนึ่งทำคอนเทนต์จะติดอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่างนานเท่านานเลยนะหมายความว่าถ้าผมยกตัวอย่างผมเขียนคอนเทนต์เรื่องวิธีการทำข้าวมันไก่ ส่งไปมันวิธีการทำข้าตบังกมเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในอินเทอร์เน็ตตับนานเท่านานเลครับแล้วถ้าวันนี้มีค น, นเสิร์ช o ูเกิเขียนว่าวิธีการทำข้าบังเกันกมันก็จะได้คอนเทนต์ผมขึ้นมาเลยครับไอคอนแรกๆถ้ามีคนคลิกเข้าไปดูผมได้เงินัเรียบรายแล้วนะครับจากวิวคทีนี้เราไปดูกันเราจำเป็นต้องดูใช่ว่า1วิวราคากี่บาทอย่าไปบอกเาะครับว่าวิวนึงเท่ากับ1บาทวิวนึงเท่ากับ2บาทวิวนึงเท่ากับห้าสไม่ใช่ฮะ วิวเพื่อการดูนะครับไลค์แชร์ไม่เกี่ยวอันนี้ผมตอบให้เลยนะครับบวกไม่เกี่ยวนะครับวิวเพการคลิปเข้าไปดูนะครับจะไม่ต้องดูก่อนว่าหนึ่งวิวเท่ากี่บาทเพราะฉันเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการคิดเรทวิวครับนะครับเรทวิวที่แบบนี้นะครับเราจะหลอกเพื่อนได้ถ้าเราเข้าใจเรทวิวที่จัดจ ก, กําไรทั้งเดือนนั้นของสัดส่วนวิวของ PQQ นะครับแสดงว่าในเดือนทั้งเดือนเนี่ยมันจะเป็นต้องมีกําไรส่วนเดึ่งวิวมาที่สัดส่วนแบบนี้ใช่ไหมครับมันมาจากไหนบ้างนะครับ ณตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่านะครับมีเฉพาะการสมัครสมาชิก 20% นะครับแต่ว่าเราจะได้กาไรมาจากการโฆษณาด้วยในอนาคตนี้นะครับไม่นานนะฮะกอใจรอนนิดนึงนะครับกําไรจากการสมัครใช้งานนะครับ 20% แสดงว่าเงินหนึ่้านบาดมีมาตรงนี้ด้วยนะครับกำไรจากการเซอร์วิสซีสเต็มและเดี๋ยวน่อยจะมีกำไรจากการลงทุนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มให้นะครับสมมุติว่าได้กําไรมาหกตีเป็นเงินก้อนคิดง่ายๆหึ่ล้านบาทสมมุตินะครับกำไรหนึ่งล้านบาทนะ เขาก็จะเอาคิดเป็นสัดส่วนเนีเอามาหารครับกับยอดวิวทั้งระบบยอดวิวทั้งระบบในเดือนเดือนนั้นของทุกโพสต์ทุกคนที่อยู่ในเดือนเดือนนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เก่าที่เคยสร้างเอาไว้แล้วเมื่อเดือนก่อนถ้ามีคนคลิกเข้าไปดูอยู่วิวมาเอามาคิดให้ในเดือนนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์หนคุณภาพเนี่ยจะเก็บจะสร้างเงินตรงนี้ไปได้นา น, น, านเท่าไรเนะครับเพราะว่าดูนะครับสมมุติว่ายอดวิวทั้งระบบของทุกคนนะครับคือ10ล้านวิว สมมตินะกไร1ล้านยอดววรวมกันทั้งระบบของทุกคนนะครับสิล้านนะครับหนึ่งล้านห0ล้านได้เท่าไหร่ครับสิบสตาร์แสดงว่าเหลดวิวเนี่ยตก1 0บสตาร์นะครับเราก็จะเอาเลดวิวครับเห็นไหครับเอาเลวิวมาคูณกับมาคูณกับจานวนวิวที่เราได้เช่นสมมติว่าตัวเราเนี่ยได้ห0 0 0งแวิวนะครับจากทุกคอนเทนต์ที่เอามารวมกันเลยนะครับก็เอาสิบสตาร์มาคูณ 10,000 วิวได้เท่าไหร่ครับประมาณหื่นึง นะคันั่นเงินหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคิดเป็นคิวระบบมันจะแปลงเป็นคิวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบล้ว่ามันจะไม่มีคาถามพี่กี่วิวถึงจะได้หนคิวมันมีคาถามนะจริงไหมเราสงสัยนะกี่วิวถึงจะได้กี่คิวแบบนี้นะนี่ฮะการคิดการคิดแต่ได้ตอนนี้มันมาจากเราต้องคิดเรขวิวไว้ได้ก่อนแล้วเอามาสบูกับจานวนวิวที่เราได้นะครับเราถึงจะได้จานวนเงินออกมาแล้วแปลงเป็นคิวให้ในระบบโอเคครับวิวเนี่ย เสียงโอเคเบามาเลยเหมือนกลังงงอยู่พูดอะไรนึง ว, ว่าอะไรวัเนี้ยยค่อยๆนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะตามทันเองครับอคเนี้ยนะฮะปายเดือนละครันะครั บ, นนรบตัดทุกสิ้นเดือนนะครับทุกคนตัดเหมือนกันนะะตัดทุกสิ้นเดือนนะครับใจ่ายในวันที่1นึงวันที่ห้าเดือนถัดไปนะครับสิ้นเดือนนะครับรายได้ข้อนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนจะกลายเป็นว่าเฮ้มาโฟกัสเกี่ยวเรื่องการโพสคือหมกพูดจเกินไปแล้ววันนั้นเนี่ยเห็นวิวออกมาแล้วคุณอาจจะท คุณอาจจะทำคอนเทนต์คุณอาจจะได้ไม่ไม่เจ๋งพอได้วิวไม่เยอะเท่าคนที่ทำคอนเทนต์ได้ดีๆหรือว่าโมษดารไาไหนใครก็แบบนี้ฮะคุณก็ได้หต่วิวตคําถามก็คือว่าข้อเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอไรเนี่ยมันเป็นเค้กกลองหนึ่งฟังนี้นะกับอะไรเป็นเหมือนเค้กกลองหนึ่งแล้วจำนวนคอนเทนต์ที่เราทำมันเป็นเหมือนมันเป็นหช้อนนึ่ช้อนคุณใหญ่เท่าไหร่คุณก็ตักเค้กตอนเนี้ยได้มากเท่านั้นน ะ, ะถ้าอย่างนี้ถ้ามีาราเข้ามาถ้ามีหนงไอรเข้ามา มันก็แย่วิวก็ไปกระจุดอยู่เขาจ ร, ริงไหมราได้ทั้นี้ก็จะเปกระจุดอยู่คนแบานี้จริงไหมบางคนสามิ่ล้าน30ล้านวิวสล้านวิวเนี่ยแล้วเรา2อพัวิวโอ้โหโอ้ธอได้เท่าไหร่วะเนี่ยใช่มคือจริงๆแล้วอ่ะอีกหน่อยวิวของท่านจะเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรลูครับเพื่อนๆของท่านก็จะเข้ามาดูตรงนี้มากขึ้นผมใช้ในย่อเในอนาคตอันใกล้นี้วิวทองท่านจะเยอะขึ้นนะครับดูนะฮะ มันเลยมีการจำกัดแม็กซ์วิลครับแม็กซวิเราคิดทนล้านยู่ต่อให้วันนี้เดนไอดอลเลยนะมีประมาณ50ล้านวิวเวลาโชว์มันโชว์ล้านครับแต่เวลาเขาเอามาคิดแบบวิวเขาจะเอามาคิดแค่1ล้านแล้วจ่ายแค่1ล้านเท่านั้นทานเมมันเป็นการมันเป็นการอะรายได้เพราะไม่งั้นถ้าเอา50บล้านมาหารน่ะโอ้โหหายไปเลยนะจริงหแสดงว่าถ้าวันนี้ตัวอาหารน้อยลงแต่กาไรมากขึ้น เหลดวิวมากขึ้นไหมครับมากขึ้นแล้วดูนะครับเหลดวิวสูงทำให้กำไรเพื่มขึ้นจริงๆนะไม่ดูนะฮะสมมติว่าพี่พี่เชื่ อ, อะไรนะครับได้เอาชนเล่นเลยนะพี่นานโอเค พ, พี่นานแ้วกนนะครับพี่นานเป็นเจ้าของบ ร, ริษัทสินค้าเลยสินค้าเลยนะถ้าคื้นที่คอนเทนต์พนี้มีการเข้ามาชมถึงห้าสิบล้านวิวพี่สนใจลงโฆษณ า, าะ ถ้าพี่เป็นเจ้าของบริษัทมาม่าแล้วมีคนมาเข้าดูเพจสักเพจเนี่ย50ล้านวิวต่อวันพี่ว่าเื่อนที่โขาพนันเนี่ยน่าจะต้องไหมจริงๆเมื่อมีการวิวเยอะขึ้นการลงทุนจะมากขึ้นตามเข้าตัวอะไรเนีย ท, ทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจาการเนีขาอยากจะได้อยู่แล้วนใะนเรื่องของการมองเห็นนี่คือการขายแอร์ทาวจริงๆหนะมันจะมีการลงทุนพราอมีการลงทุนมากขึ้นกำไรตรง น, นี้มันมากขึ้นนะ กำไรมากขึ้นแต่ตัวหารน้อยลงกำไรมากขึ้นตัวาหารน้ลงเรียญวิวไปเนี้ยสูงขึ้นนะครับสมมุตินะครับจ่าย m a x i m ที่1ล้านใช่มต่อ user นะครับจ่าย maximum ที่1ล้านเนียสมมติเหรต่ำสุดเลยนะต่สมมติผมสมมติว่า1ั้นสตาง์ก็ได้ตาง์ล้านวิวกับกับกับเหรียญวิวหสตา์เนียได้1นึ่งืต่อเดือนนะจากการโพสต์อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่าโอเคไหมหนึ่งหมืต่อเดือนมีกระเ๋ากนี้ยจับวอ โอเคก็ต okay, hmm. ่อเลยหนึ่งล ja ้นนีไถ้าตีถ้าตีโจทย์ไม่แต่คุณจะไปกังวลว่ารีเด็กวิวชันต่างยังเลยได้สองสสตางค์ต่อวิวแบบนี้ทำทำไมอย่าลืมนะครับว่าโพสต์ไปใน Facebook ไม่ได้แม้แต่1น่สตางค์นะครับจริงไหมที่นี่ต่อให้คนเป็นวิวและว1สตางค์แล้วคุณได้แค่1นึวิวเขาก็จ่ายให้คุณ1สตางค์นึกออกไหมคือคือจ่ายหมดเลยอ่ะไม่มีไม่มีเก็บเลยคือคุณคือคุณต้องลองึภาพอีก่อนะครับว่า บางครั้งเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่าง YouTube แล้วกัน YouTube จ่ายวิวเท่าไหร่ด้วยนะไม่ถึงหนึังสตาร์นะแล้วจ่ายเรื่องกหนึ่งล้านวิวขึ้นไปด้วยนะแต่ที่เนี้ยห่งวิวก็จ่ายไม่ดีไหมโอเคไหมครับตีโจทย์ให้แตกนะครับถ้าตีโจทย์ให้แตกจะเศร้าบางทีเมื่อเด็กคอยกมา อย่าเศร้านะครับมันเป็นรายได้ที่คุณเก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเลยนะครับทุกวิวทุกคอนเทนต์ที่เราสร้างทุกรูปภาพที่เราใส่เข้าไปบนโซเชียลทุกรูปภาพที่เราสร้างคอนเทนต์ทุกคลิปที่เราแชร์มาทั้งหมดคือเงินของนายครับวิวก็เงินบอกเลยนะครับไม่ฟรีแน่นอนยังไงก็ได้กันนะครับข้อนี้นะครับโอเคไหมแบบนี้โอเคเข้าใจไหมนะ อ่โอเคนะฮะมาต่อการข้อสุดท้ายนะครับหลายๆคนกาลังโฟกัสข้อนี้อยู่นะครับรายได้จากการเป็นเซ็นเตอร์นะครับมีคำถามไหมครัว่าทําไมวันนี้เราต้องมีเซ็นเตอร์มีไหมตั้งผมอธิบายให้ฟังนะเซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์เซ็ center, นเตอร์ center, center. Center ทำอะไรนะเซ็นเตอร์ทำหน้าที่รับแลกเปลี่ยนกระจายคิวและดูแลคนในองค์กรบา้า้เซ็นเตอร์ฟังดีนะฮะ เซ็นเตอร์เ่ต้องมีคุณสมบัติหร้อยคเซ็นเตอร์จะได้รายได้จากข้อนี้เพิ่มอีกนะครับในการถอนคิวเมื่อมีสมาชิกภายใต้โครงสร้างของเซ็นเตอร์มีการถอนคิวออกจากบกเซ็นเตอร์จะได้คิวจากผู้ถอนเนี่ยเป็นเหมือนหน้าตาได้เปลี่ยนกการที่ต่บกว่าปกติเขาจะได้จาก 2% งสมมติว่ามีสมาชิกถอนเงิน 1,000 งพันเขาจะได้20บาทผ่านครอไหมผ่านนทุกการถอนทุกครั้งทุกคนที่อยู่ภายใต้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จะได้จากการถอนเงินเนี่ย แต่เซ็นเตอร์จะต้องมีหน้าที่คอยดูแลผู้รหัสที่เกิดขึ้นครับคือนะตอนนี้ผมต้อบอกใหแว่าเราเพิ่งผ่านจุดจุดหนึ่งมาที่เรียกว่าอัปเดตซิสเต็มปรับโครงสร้างอย่างนั้นแล้วลหัสสมาชิกผมผมเชื่อแล้วว่าหลายท่านที่อยู่นี้ก็คือเจอปัญหาเดียวกันนะครับเรากำลังจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันตอนตอนแรกเรามีเพียงแค่า1เซ็นเตอร์ center, นะครับบางคนก็ถามว่าทไมต้องโเข้าบัญชีบคุคคลล่ะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปรับแผนอยู่แล้วว่าเราอ่ะต้องโเเข้าบัญชีของบริษัท ฟังนีนะแต่ทำไมถึงให้โอนเงินเข้าบัญชีของเซ็นเตอร์ก่อนเพราะว่าเชื่อไหว่า 1,000 ับาทก็มีคนปลอมสลิปจริงหึ่งพันบาทมีคนปลอมสลิปนะหนึง่ง0ับาทมีคนอมสลิปเพื่อไม่ใช้เลยนะมันเลยจำเป็นต้องมีการดู ด, ดูดูเขาเรียกว่า unseen problem สมมติ ว, ว่าเซ็นเตอร์เนี่ยแอปบู๊กล ะ, ะแอุกละัของคนเนี้ยเขาเ้าไปแล้วแต่า เ, เป็นสลิปปลอมะแต่เงินถูกจ่ายแล้วนะแบบนี้บริษัทถัดทูมั้ยแล้วถ้ามีคนปลอมสลิป เ, เยอะๆอ น, นี้นะ ตายนะฮะมันเลยจำเป็นต้องมีการดูแลเรื่อง น, นี้ต่อในเรื่องต้นเพื่อที่จะหาวิธีการป้องกันทำยังไงละ่ะระบบ ก, การจ่ายเงินมันถึงจะสมบูรณ์ทำํำยังไงล่ะทหารถึงจะโอเคครับมันเลยจาเป็นต้องมีการโอนเนองินให้ิันฉีดเสร็จก่อดเพราะว่าเขาจะอปพูฟละให้เราครับแล้วเมื่อเราถอนเงินจากระบบเขาก็จะเป็นคนคลิปอปพูฟอัตมัติการขอนเงินนี่แหลให้เรานะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยนะคือเจนเจนมันเป็นระบบอะนาล็อกผมบอกก่อนอันนี้ยอมรับเลยนะฮะเจนแรกเป็นระบบอนาล็อกครับช้าครับ เราถึงใช้เวลา48ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพพุ๊บได้และการถอนเนเราใช้เวลา4 8ปชั่วโมงก่อนณปัจจุบันะนี้นะครับแต่เดี๋ยวนหน่อยนะครับมาจะเวลไทม์นะครับแบบนี้ดีหมโอเคคือกดโอนเงินพุ๊กดพุ๊บเกิดเลเลยอัตโนมัตเลยโอเคแล้วก็ถอนเงินพุ๊บเข้าบชีโอเคะโอเคนะแต่ตอนนี้ผมอยากให้สมาชิกที่มารีรุ่นเวอร์ชันสุดยีใจเย็นนิดนึงว่าเรากาลังผ่านจุดที่เรียกว่าปรับโครงสร้างย่างมา เราปรับกันมาประมาณ15บาวันนะสิบหาวันแต่เราไม่ได้ปิดนะฮะฟาีนะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยปิดเว็บหรือปเปล่ปาไม่ใช่นปรับปรุงเฉยๆนะครับเพราะว่าในโมชั่น 1. นึูถ้าใครท่า 1. หนุดเนี่ยจะรู้ว่าพื้นที่การใช้งานของคนใช้เยอะนั้งอื่นจริงไหมคือทั้ำพูดได้บ้างดำบ้างอะไรบ้าง <S <S มันเลยจะเป็นพ็มีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะปรับโครงสร้างให้มันใหญ่ขึข้นขยายคือที่กูมผู้ใช้งานรองรับตอนนี้รอรับได้กี่ยูเซอร์แล้วพี่มเป็นล้านเป็นล้านบ่ให้นิดนึง เป็นล้านเลยนะครับเป็น้านยูเซอร์นะครับเซอร์เวอร์เราตอนนี้มีเยอะขึ้นนะครับสมัยก่อนมีูนมีเครื่องเดียวตลบมากเลยผมคิดว่ายูเซอร์ยู่แถวสมารไฟล์นะฮะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องเซ r ร์เวอร์นะครับเซอร์เวอร์ปัจจุบันครับมีจำนวนเยอะขึ้นแล้วก็รองรับุผู้ใช้งานได้เยอะขึ้นแล้วนะครับเป็นร้านยูเซอร์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เมื่อมันเปิดมาในช่วงระยะเริ่มต้นนมันมีการมันมีการเขาเรียกว่าดองสลิปผมว่าดอกสลิปก็การเขาต้องตัดอุณหภูมิไม่ คี่ดูแลประมาณเกิด 3,000 user ที่สมัครเข้ามาแล้วเป็นการแอสลปมาแตกมีเซ็นเตอร์เ่านั้เดียวสลิปซ้ำก็มีแอดลูกควายมาก็มีจริงๆนะแนดรตัวเองยินมาเองก็มีอย่างเงี้ยตักชาช่เองก็มีเนี่ยหรือบางคนเนี่ยแอดสลิปที่ไม่มีเวลาอ้างมนมามันแอดกลุ่ให้ไม่ได้นะครับมันก็เลยจะไต้องข้ามก่อนหรือบางคนเนี่ยสลิปเคลื่อนมาเียมันมีนะครับปเคลื่อนมาเซ็นเตอร์กดอัตโนตเพราะเซ็เตอร์กดอัตโนตมูไม่สล้ก่อน ทำยังนะต้องไปสืบสาบตรวจ c a e r เกิดมาสืาหาควาจริงเอามามันต้องไปแบบนั้นแต่เดี๋ยวอีกหน่อยไม่ต้องห่วงนะเราคิดระบบป้องกันไปเรื่อแล้วแล้วอีกไมทุกคนจะดูเลยว่าง่ายมากนะเรื่องอัพเดทเสร็จแล้วก็จะเด็วมากนะครับใครตอนนี้เนี่ยราายังไม่ได้อ่นวัคอ่าไม่ยังได้แล้วยังไม่อนัคออกมีน้อยนะน้อยนะฮะมันไม่ต้องห่วงนะอนัติแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วการอัคหรือไม่อนุมัคไม่ได้มีผลนะครับผมตอบอกกันเลยไม ทุกท่านสมัคสมาชิกเข้ามาได้ซอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถใช้งานได้เลยโพสได้เลยชวนเพื่อนได้เลยแล้วก็ได้เงินได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มัดขอนเงินออกไม่ได้ทานท่านผมไหมทานนะทางทางงนี้ทานไะทานนะครับโอเคสมมุติว่าต้องมีการถอนเงินนะครับเซ็นเตอร์จะได้จากตรงนี้หละครับสองนต์ ทุกเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เป็นใครก็ได้นะเป็นพี่ก็ได้นะเป็นพี่ก็ได้เป็นทุกคนได้หมดเลยนะครับแต่เซนเตอร์ดูดีนะครับเซนเตอร์ที่เนี้ยเซนเตอร์ี่ได้เงินนะเซนเตอร์เซนเตอร์ที่อื่นเสียเงนะินอันนี้พูดเรื่องนะจริงนะพูดเรื่องจริงไปนะเซนเตอร์ที่อื่นนาเป็นเซนเตอร์เป็นโมบายกเป็นโมบายขายสินค้าข้นตัวเองคุณต้องทำยังไงครับซื้อมาซุนไว้ใช้แล้วก็ได้กำไรแบบนี้แหละเพิ่มเติมอย่างปกติ เหมือนกันนะครับแต่ที่นียคุณไม่ต้องพัาเงินซื้อแนะนำตรง100คนได้ค่าขายทุที่เท่าไหร่ครับแนะนำตรงนะนรัตรง100คน แรกคอแบเรานะครับจะเป็นหนึ่งคนจะเป็นแสนคนก็ได้แล้วเดี๋ยวเซ็นเตอร์เนี่ยผมต้องบอกว่าใครที่เป็นเซ็นเตอร์นะครับจะมีเงื่อนไขกับบริษัทนะครับไม่นในไทยจะเป็นก็นได้นะจะมีเงื่อนไขกับบริษัทนะครับจะมีโปรแกรมที่ไม่เหมือนกับยูเซอร์ทั่วไปนะครับทําไมด้วยนะทำไมถึงต้องมีเซ็นเตอร์รู้ไหมพี่ว่าวันเนี้ยถ้ามีเซ็นเตอร์คนเดียวแล้วมีทีมแล้วมีคนใช้งานเป็นล้านคนเนี้ยแอปพูดทันไหมไม่ทันหรอครับ เซนเตอร์ครเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกบริษัทเลยนะเซนเตอร์ที่ต้องมีรายได้ต้องมีงิาง 2% อ เ, เโอเคไหมเยอะทั้งเดืนเดนนนเนอนเป็นแสนเลยนะครับสนใจไหมสนใจไหมครับเป็นแสนเลยนะครับที่เซนเตอร์เดือนเป็นแสนนะฮะแต่เดี๋ยวถ้ายูเซอร์ใช้งคุณดูดีๆนะเซนเตอร์สมมุติก็ได้เดือนละแสนแล้วกันจากสอรเนตรนี้จากการแรกเดือนหนแล้วคุณมีเซนเตอร์อยู่ทำไม เซนเตอร์ที่อยู่ในรายในรายสปอนเซอร์ของเรามีเซนเตอร์อยู่นะเวลาเซนเตอร์ถอนเงินตัวเซนเตอร์เขาถอนเงินได้นะเวลาเขาถอนเงินเขาถอนกับใครถอนจากเซนเตอร์ทั้งหมดเหมครับโอเคไหมแบบนี้โอเคเซนเตอร์ได้หรื่ไดแต่ข้อ1เลยข้อ2เลยข้อ3เลยข้อ4ี่เซนเตอร์ได้ด้วยแล้วก็ได้ข้อหาด้วยใครยังเป็นเซนเตอร์ล่างเขาเลยใช่ไหมแต่ผมบอกเลยครับแค่ข้อ1กับข้อสก็รวยไปหานะฮะเข้าใจ โอเคนะครับมาดูความเชื่อว่าอีกตัวหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเป็นตอนที่ทใหม่ๆนึกว่าเป็ น, น, น, นเซิร์ฟเวอร์อยู่เถวสุพรรณลายนะฮะแต่พอเราเข้ามาดูจริงๆเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่นี่ฮนะซานโจที่ยูน t เต็ดสเต s ผมอ่านถูกหรือเปล่าไปดูนะฮะอยู่ที่ยูน t เต็ดสเต็ปแคลิฟอร์เนียนะครับจริงๆแล้วเรามีโนด น, นะคของ IPFS อแลตรงเนี้ยอยู่20โนดนะครับที่อยู่ USA เนเพราะฉะนั้นเนี่ย เรากาลังจะบอกให้พี่ๆทุกท่านรูว่าเรากาลังวางแผนที่จะวเลยนะครับดูไมฮะก่อไปกับทุกโซเชียลเลยเกาหลีมีโซเชียลนี้ใช่ไหมไอเกาะะญี่ปุ่นมีโซเชียลนี้ใช่ไมไอ้เกาะฮะจีนมีโซเชียลนี้ใช่มอเกาะ USA มีโซเชียลนี้ใช่ไมไอนะ้เกาะฮะก่อเลยฮนะก่อไม่ปล่อยด้วยนะพอเิ่มัวขีกเขาาก็ยิ่งชอบนะฮะทีททททททท่อยู่ครับอยู่ที่ไหนฮนะสหรัฐอเมริ สี่พันลเล่นนะตอนแรกผมเปิดตอนที่รู้เรื่องนี้ไปเปิดดูใน Google เขียนบริษัทเซิร์โคบิดผมไปเจอเฟ้บุ๊กของพี่โอมล้างมากจริงใช้คาว่าล้างเลยคือเว็บ Se ิร์ฟโบิดอก็ไม่ไม่มีเวลาคืออย่างนี้พี่โอมแทบจะลืมเซิร์โคบิดไปเลยอ่ะเพย์คิววตอนนี้เขาใช้เวลากับเพย์คิวๆแทบจะ1้0ยเร็นต์ลยนะตกลงหมพี่โอมน่เลยนะที่สี่ก็เปน ดูนะฮะไ ม, ไม่ได้เพิ่งเอาไปใส่นะจริงๆแล้วเรามาตั้งแต่ปีไหนแนละ้วเนี่ยปีเดี๋ยวนะผมจะได้ว่าผมใส่ไอยู่นะนอยู่ไหนเะอ่นี่นี่สองพันสบน ะ, ะเดือนเมษาโดน2010อยู่นี่น ะ, ะจดตั้งแต่ปี2010แล้วหปีแล้วนะครับ6ปีแล้วน ะ, ะที่จด น, นะคะน ร, รับซึ่งก็เราได้ลองดูประวัติของมันนะ เฟซบุ๊กตอนที่เกิด <c oughs> เขาก็ชอบคลาวที่สิงคโปราเลเซซึ่งเราก็ลักษณะเดียวกันนะครับเราชอบคลาวที่สิงคโปราเลเซแล้วก็มีอีก19หมดไม่บอกนะบอกหมดเดียวออกที่สิงคโปราเลเซนะครับที่สิงคโปราเลเซยเนี่ยถ้าเราไปดูนะเราจะเห็นว่ามีบริษัทต่างๆย Google, aba, iPhone, Facebook, เ, อ Yahoo, อเยเอะแยะมากมายเลยนะกูเกิลอาหริบา e า a อ e ฟนแอ b ์เฟซบุ๊ o บริ Yahoo ุดเค่เลยนะพวกนี้เขาเกิดมาจากการชอบคลาวนันแหละครับ แต่พอนึงที่บร <Af> ิษ <shad> ัทร่ำรวยแล้วเนี่ยจากการทำจากการทำกาไรต่างๆที่เ้าหาเนี่ยเขาก็ไม่เปิดบริษัทนี้แล้วซึ่งอีกหน่อยที่เชื่อไหคว่ามันจะมีคงประเทศไทยเปปั่นที่ซีรีสอนปเล่นแล้วถ่าเนียเราจะเป็นเจ้าของค่าวดนี่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมอยากให้มองเป็นปัญหาเทียวเพราะว่าถ้าวันนี้ทุกคนรู้ว่าเรากาลังจะไวไวแล้วเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนเนี่ย ผองเลยนะเพย์ีวไม่ใช่กระจเลยไม่ใช่เว็บแคปกรอปเลนะครับมันจะเป็นอีกตัวหนึงอ่ะที่เป็นสื่อส่งพลังที่มีอิทธิพลภาษาที่คนตื่นขึ้นมาจะตัดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไม่ตง้งสเตตัสติต่อไปเขาตื่นนมาพร้อการเขียนคอนเทนต์เชื่อผมไหมเขาตื่นมาการเขียนคอนเทนต์เขาตื่นมาการที่เขาจะมาเช็คคิวอรว่าเขาจะเอาเขาตื่นมาจะมาเช็คคิวบอร์ดเขาจะได้เท่าไหร่ แล้วเชื่อไหมฮะผมผมเห็นก็สบ เชื่คราว่าตรงนี้จะลายเป็นสื่อที่คนจะเข้าไปใช้ในการเขียนคอนเทนต์ในการแชทในการสร้างเว็บบลอในการสร้างโฟตโฟตแกลเลอรี่ไม่ใช่มีแค่โพสนะครับอีกหน่อยนะีไลน์ไลน์เอาไปเลยนะไลน์เอาไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาสากบล็อกเวลาคุณจะใช้งานเข้าไปคุยกับเพื่อนเข้าไปคุยที่กรองแชทของ k e q ได้เลยเป็นบล็อกแชทเลยโอเคนะ แล้วอีกหน่อยเวลาที่เราจะแชร์กันมีคิวหรือยังเ้ยขคุยกันคิวแล้วไปสลับสมาชิกักประมาณพันหนึ่งจบแล้วง่านะเราเคยไม่คิดนะว่าเราจะได้ใช้ไลน์นะฮะมีคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้ไลน์ด้วยนะที่ไม่ได้สายไม่ได้าที่เลยนฮะเาไม่เคยคิดลนะว่าจะใช้ทุกวันนี้จาเป็นต้องใช้เพราะว่าเพื่อนเรงทับใช้เขาเพื่อนติดต่อสื่อสารกันทางไลน์หมดอะเลยจาเป็นต้องใช้ เหมือนกันครับอีกหน่อยเวลาเราจะแชทเราจะไม่ใชทในกลุ่มไลน์แล้วนะครับเราจะไปแชทอ ย, ยู่ในกลุ่มเขียน QQ ่ทนโอเคมั้ยครับโอเคแล้วถ้าใครไม่ใช้่ใน QQ นะพี่ณฐีบอกเลยว่าเอาสุดๆโอเคไหมน <Yeah. S 1> ะฮะอ่ะ